ชีวิตของเรามีตัวรู้กับตัวหลงเท่านั้นถ้ามีตัวรู้ตัวหลงก็ไม่มีต้นตอของอากุศลทั้งหลายมันเกิดจากความหลงหลวงพ่อคำเขียนสวนโน การใช้ชีวิตของเราแต่ละวันเราควรจะสร้างความดีเป็นการใช้ชีวิตที่เสริมสร้างความดีเราต้องสร้างความดีไว้ให้มากมาเพื่อเป็นบารมีจะได้นำพาชีวีของเราเนี่ยไปสู่ความพ้นทุกการเสริมสร้างบารมีมีหลายอย่างเป็น คุณงามความดีทั้งหมดเลยการฟังทำเนอันนี้ก็เป็นการสร้างความดีสร้างบา ร, รมีเอาไว้ฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์และยิ่งฟังแล้วนําเอาไปปฏิบัติตัวเป็นการสร้างบา ร, รมีโดยตรงเลยเป็นบา ร, รมีเพื่อความพ้นทุกข์เพราะว่าการปฏิบัติธรรมแต่ละครั้งแต่ละหน เป็นการได้สัมผัสได้เข้าไปรู้ของจริงในตัวของเราสัมผัสกับสติสัมผัสกับความสุขความทุกข์สัมผัสกับรูปนามสัมผัสกับกุศลอกุศลจะสัมผัสได้ด้วยการปฏิบัติลงมือปฏิบัติสัมผัสลงไปที่การเจริญสติจเจริญสติ เรียกว่าสติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสีก็คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นการปฏิบัติสติปัฏฐานสีได้ครบถ้วนบริบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติการเจริญสติเนี่ยก็คือการสร้างตัวรู้เพื่อจะให้ตัวหลงนี่ไม่เกิดขึ้นถ้ามีตัวรู้มาแล้วออก็ตัวหลงไม่มีโอกาสได้เกิด ที่ว่าเป็นตัวๆเนี่ยเป็นสมมตินะมันไม่มีตัวไม่มีตนหรอกการสร้างความรู้สึกตัวให้มีขึ้นในตัวเรานี่แหละเป็นการสร้างตัวรู้เราต้องทาให้บ่อยๆจเจริญให้บ่อยๆเนืองๆเมื่อเราจะสติเนืองๆบ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินที่จะมีสติสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแทบจะไม่ต้องสร้างเลยต่อไปนะ ทุกครั้งที่รู้สึกตัวเนี่ยสติก็จะเกิดขึ้นสะสมเอาไว้เรื่อยๆนี่ไม่เจตนาสร้างความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นมาเอง oui. มันจะเป็นอัตโนมัติจะเป็นธรรมชาติจะเป็นชีวิตเป็นชีวิตที่เป็นธรรมดาที่มีแต่ความรู้สึกตัวความหลงลืมตัวก็จะไม่เกิดขึ้นความเคยชินความหลงลืมตัวเนี่ยก็จะหายไปด้ว ย, ยจะมีแต่ความรู้สึกตัว มันเผลอไปนิดหน่อยก็กลับมารู้ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดความหลงก็ย่อมมีอยู่อาจจะมีช่วงระยะเวลาที่สั้นๆตัวรู้จะเกิดได้ยาวเมื่อหายไปก็เกิดขึ้นมาใหม่สร้างตัวรู้เจริญสติบ่อยๆหนึ่งเนืองจะเกิดความเคยชินไม่ต้องทำที่ไหนทาที่ตัวเราเนี่ยที่กายที่จิต ในอิเลียบท่างๆอิเลียบทใหญ่ๆการนอนการนั่งการยืนการเดินก็มาใช้รู้สึกตัวได้หรืออิเลียบทย่อยๆน้อยๆการกระพริบตาการหายใจการเคี่ยวอาหารการหยิบการฉวยแม้แต่การขับรถยนต์ก็สามารถที่จะเจริญสติได้เป็นอิเลียบทย่อยมีนะ ขณะปัจจุบันเนี้ยท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะฟังไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยนั่งอยู่บนรถยนต์ฟังธรรมไปแล้วก็เจริญสติไปด้วยขับรถนี่ก็เจริญสติได้แต่ว่าขอให้เอาสติเป็นผู้ขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ตสตาร์ตก็มีสติจับปวงมาลัยก็มีสติปิดประตูก็มีสติจะเข้าเกียร์เหยียบคลาดเหยียบคันเร่ง เยียบเบกก็มีสติรู้ตัวอยู่อยู่กับปัจจุบันอยู่การขับมีประโยชน์นะติดไปเขียวไฟแดงอ้อรู้สึกตัวดูจิตดูใจเราหงุดหงิดไหมเวลาที่มันเกิดไฟแดงใจมันรีบร้อนไหมกลัวจะไปไม่ทันบ้างล้วก็คิดปรุงแต่งต่างๆอันนี้นำเอามาที่จะเจริญสติได้เพราะฉะนั้นอย่าขับรถฟรีๆอย่าคิดฟรีฟร รู้สึกตัวไปอาการขับลถกับปัจจุบันในแดนงานของเราเราสามารถสร้างตัวรู้ได้ในการที่เราขับรถอันนี้เป็นการปฏิบัติาการรู้เนี่ยคอยรู้แต่ละขณะขณะรู้รูปก็รู้ที่จะพาะรูปในขณะนั้นนานจะไ ม, ม่สนใจในปัจจุบันนั้นเดียวนั้นเฉพาะหน้าเรารู้ได้ที่รูปเคลื่อนไหวก็รู้ตรงนั้นก่อนจะไ ม, ม่สนใจกับนาม แต่ถ้ามันเกิดความคิดนึกเป็นอาการของนามขึ้นมาของจิตของใจเนี่ยเราก็อย่าไปสนใจเรื่องลูกมารู้ที่ความคิดซึ่งขณะนั้นเนี่ยความคิดเกิดขึ้นแล้วสติรู้ตรงนั้นทันทีถ้ามันไม่คิดไม่ปรุงแต่งอ้อกลับมารู้ลูกรู้ได้แต่ละขณะขณะอย่าลูกขณะเดียวสองอย่างรู้คนเดียวสองอย่างนั้นไม่ได้เพราะจิตเนี่ยเขารับอารมณ์ได้ขณะเดียว แต่ละขณะขณะไม่ซอ น, นอะไรเกิดก่อนรู้ก่อนอะไรเกิดที่หลังรู้ที่หลังสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ารู้ตรงนั้นก็ถ้าเราไปคิดรู้ในสิ่งที่มันยังไม่เกิดอันนั้นเป็นความคิดไม่ใช่ปัจจุบันเราพลาดปัจจุบันรู้เกิดก่อนรู้ก่อนอ น, น, อน้ําเกิดก่อนรู้น้ารู้กายเคลื่อนไหวอ่าเนี่ยเกิดก่อน รามันคิดนึกออรู้ความคิดแล้วก็วางกายมารู้ที่ความแต่ละขนาดขนะจะได้เป็นกรอบเป็นกรรมอย่าสับสนกันรู้ทีละอย่างทีละอย่างรู้ไปเรื่อยเรื่อ ย, เ, อยเป็นการสะสมสะสมสติเมื่อ ส, สติมีขึ้นมากๆมันก็จะเกิดปัญญาเราต้องฝึกรู้ฝึกดูฝึกที่จะละ โดยเฉพาะเรื่องละกิเลสเนี่ยสำคัญมากมันเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดอะไรขึ้นมาเนี่ยฝึกที่จะรู้แล้วก็ปล่อยวางมันฝึกละกิเลสบ่อยๆเนี่ยปัญญาก็จะเต็มนะมาก่อนกิเลสเต็มเนี่ยเรื่องเรามีสติรู้ทันกิเลสโอ้กิเลสมันหมดปัญญาเข้ามาแทนที่ความทุกข์ที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดน้อยลงไปเบาบางลงไปจิตใจก็จะสงบเยือกเย็นผ่องใส อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันทำได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ขณะขับรถยนตการปฏิบัติเนี่ยเราต้องดูตัวเองดูตัวเองมากๆจับผิดตัวเองการจับผิดตัวเองนั่นคือการรู้เท่าทันเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของตัวเราถ้ามองข้างนอกบ่อยๆดูข้างนอกบ่อยๆเนี่ยก็จะหลงลืมตัวเราในขเดียกันถ้าเราดูตัวเราบ่อยๆ มันก็จะไม่ค่อยสนใจสิ่งภายนอกดูตัวเองให้มากๆดูข้างนอก น, นอก้อยนสติจะเกิดขึน้นนี่คือการปฏิบัติคือการดูตัวเองถ้าเราทําไปทําไปเจอสติไปเรื่อยเื่จิตใจมันเริ่มผ่อนคลายเริ่มสบายสบายทุกลดลงเนี่ยเพรว่าถูกทางแล้วแต่ถ้ายิ่งทำยิ่งทุกยิ่งทํายิ่งเครียด ยิ่งทำยิ่งสงสัยยิ่งฟุ้งซ่านคือยิ่งทำเนี่ยทุกยิ่งเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่ถูกทางเราต้องแก้ไขใหม่ฟังใหม่เปลี่ยนใหม่เริ่มต้นทําใหม่ยิ่งทํำจนยิ่งสบายสบายมาท่านสงสัยไว้าเอ๊ะทไมยิ่งทําไปจึงยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ไม่เห็นได้ผลอันนี้ถือว่าอาจจะไม่ถูกทางก็ได้อาจจะเพ่งเกินไปตั้งใจมากเกินไปจะเอาให้ได้ จะรู้ให้ได้มีตัณหาฉาบทาอยู่เบื้องหลังเพื่อให้มันชัดเจนอะไรอย่างงี้นะมันก็ทำให้จิตใจมันเครียดตั้งใจจนเกินไปเอาจริงเอาจังจะมีอาการเพ่งจ้องอันนี้เกิดจากตัณหาจะไม่มีความสุขการปฏิบัติจะไม่สะดวกไม่ผ่อนคลายนี่จะบอกได้เลยว่าเนี่ยเราเพ่งเกินไปแล้วบางคนถามว่าเอ๊ะ ครูบาอาจารย์ทักมาว่าเธอนีเพ่งไปนะเอ้เราจะรู้ยังไงว่าเราเพ่งเราทําบ่อยๆเถอะเจริญสติบ่อยๆเราเช่อเข้าใจว่าอ๋อนี้มันเพ่งไปแล้วอันนี้หลงไปแล้วอันนั้นตึงไปนะอันนี้หย่อนไปนะพอรู้ที่ตึงคือเพ่งรู้ที่หย่อนคือเผลอเราก็จะพบทางสายกลางด้วยตัวของเราเองไม่มีใครจะเปลี่ยนจิตใจเราเนี่ยให้ลงทางสายกลางได้นอกจากเราจะ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติเราเองมันเพ่งเกินไปก็ไม่เป็นไรถ้ารู้ว่าเราเพ่งเนี่ยอ๋อจิตมันก็ลงสายกลางนะรู้ว่าเพ่งเออสายกลางก็คือแล้วอันนี้เผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอเนี่ยจิตมันก็เป็นกลางใช่หไหมแค่รู้เนี่ยจิตมันก็อยู่มาสายกลางแนละ้วมางที่มันสงสยัยนี่เราเพ่งไปหรือเปล่า ให้มีสติรู้ทันในปัจจุบันนะว่าเราสงสัยแล้วตอนนี้เราสงสัยแล้วนี่แหละคือสายกลางคือรู้ในอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า mm. เดี๋ยวนั้นรู้ว่าเราสงสัยจิตมันก็พ้นออกมาจากความสงสัยต่อหน้าต่อ ต, อตาไม่เป็นไรหรอกมันเกิด อ, อะไรขึ้นเราก็รู้มันแค่รู้นี่มันก็หลุดออกจากอารมณ์อุปสรรคต่า ง, า ง, างจะเพ่งก็ดีจะเผลอก็ดีจะทุกข์จะง่วง จะคิดจะคิดเกียดจะท้อแท้หมดกำลังใจเราถือว่าสิ่งนี้คืออุปสรรคของผู้ที่ปฏิบัตินะแต่ผู้ที่รู้ธรรมะแล้วเนี่ยผู้นี้ไม่อุปสรรคเราจงมองอุปสรรคต่างๆเป็นครูสอนธรรมะที่ดีอุปสรรคคือครูสอนธรรมอย่าไปลังเกียจอย่าไปต่อต้านถ้าเราไปต่อต้านไปรังเกียจไปทำลายอุปสรรคเนี่ยเท่ากับว่าเราอากตรัอยู่นะ ทำลายครูสอนธรรมะเขาแล้วอัคตันอยู่นะพระสังต่างเนี่ยให้เรามาเรียนรู้อย่างเช่นความทุกขเนี่ยทุกเขเวทนาทางกายเนี่ยบางคนบอกมันแย่เลยเป็นอุศักเลือกเกินปฏิบัติไม่ได้ทุกทางกายนี่แหละเป็นครูสอนธรรมะได้อย่างดีเป็นครูสอนธรรมเพราะกายเขาบอกบอกตรงๆว่าเขาเป็นทุกแล้วบอกตรงๆ กลายแสดงอาการราบอว่าเป็นทุกข์แล้วเราก็มีสติรู้ว่าอ๋อทุกข์นี่มันเที่ยงไหมทุกข์นี่มันขับมัญชาได้หรือเปล่าเนี่ยเขาสอนทํำให้เราอย่าไปทําลายให้เราได้เรียนรู้เรียนรู้แต่อย่าเรียนแบบต่างกันนะเรียนรู้ทุกข์กับเรียนแบบทุกข์เนี่ยโอ้มันต่างกันลิบลับเลยเรียนรู้ทุกข์คือการเป็นผู้ดูทุกข์เกิดความเข้าใจถ้าเรียนแบบทุกข์นี่เราเข้าไปเป็น ทุกเลยนะครูสอนธรรมะสอนให้เราเรียนรู้อย่าสอนให้เรียนแบบทุกเรียนรู้ถ้าหากว่าเรียนแบบเข้าไปเป็นทันทีเลยเขาก็สอนนะบอกว่าอย่าเรียนแบบนะถ้าเรียนแบบเราเนี่ยเราเป็นทุกแน่นอนถ้าใครเรียนแบบเราท่านจะเป็นทุกแต่ถ้าใครเรียนรู้เราแล้วก็ท่านจะพ้นจากทุกครูก็จึงบอกว่าเธอจงทําตามที่ครูสอนแต่เธออย่าทําตามที่ครูทํา เพราะบาทีครูสอนนี่ถูกต้องสอนดีแต่ที่ครูทําให้ดูเนี่ยไม่ถูกต้องก็มีนะที่ครูสอนว่าอ่าเอออย่าดื่มสุลานะมันไม่ดีหรอกแต่ครูเองก็ยังดื่มใช่ไหมครูสอนถูกต้องแต่ที่ที่ครูทำบางทีอาจจะไม่ถูกต้องคุณพ่อก็เหมือนกันพ่อของเราดีถือว่าเป็นครูคนแรกเป็นครูคนแรกครูคนแรกอาจจะสอนเราว่าอ่าเธออย่าตื่นสาย คุณพ่อสโลว์เธอจะตื่นสายไม่ดีหรอกบางทีพ่อก็ตื่นสายนะเพราะฉะนั้นเธอจงทําตามที่พ่อสอนแต่เธออย่าทําตามที่พ่อทําเราต้องรู้จักแยกแยะ ก, ก, การสอนที่ดีนั้นแม้แต่ว่าเราจะพูดดีสักร้ายร้อยคนหลายร้อยครั้งก็สู้การทําให้ดูหนึ่งครั้งไม่ได้พูดตรงก็คืออยากให้เขาดีก็จงทําดีให้เขาดู อันนี้คือหลักในการสอนนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยสร้างบา ร, รมีธรรมโดยการปฏิบัติธรรมแต่เราสติให้มากๆจะได้เกิดปัญญาเปรนเสมือนมีน้ำเอาไว้ดับไฟคือกิเลสและกองทุกขที่จะมาถึงเราในวันข้างหน้าสืบต่อไป